เดี๋ยวผมไอ้นั่นก็คือว่าเก่งว่าจะกลัวจะกลัวสติเป็นใจนั่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเวลาขับรถก็ต้องแค่รู้แค่ทําอะไรอยู่แค่นั้นเองยังยังไม่ลึกไปอย่างที่ไม่ไม่พอไม่พอว่าขับรถแล้วตัวเหยียบเบรกมือจับพวงมาลัยอะไรก็ยังไม่พอไม่พอให้ผลทุกได้เพราะคืออันนี้ผมใช้สําหรับตอนขับรถแต่ถ้าที่ว่าให้มองต่อไปนั่นไว้เวลาที่เราไม่ได้อยู่ในการขับรถได้ได้ก็คือว่าฝึกให้จานานทุกเรื่บน มันแล้วแต่ว่าเทคนิคอ่ะคือเทคนิคที่ให้ไปแต่ละคนอะคือว่าเราเทคนิคกันไหนมันโดนกับเราโดนใจเราเราก็ใช้เทคนิคนั้นคือจะสำคัญสาคัญเนี่ยสําคัญต้องการให้รู้ว่าตัวเราเนี่ยมันมันคิดอะไรมันมันคิดติกตองอะไรมันพูดอะไรมันบ่นอะไรมันพาคอะไรมันภาคอะไรอยู่ในใจตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นมันแต่สําคัญที่สุดคือทําไงจะรู้ว่าเราเนี่ยมันพากมันพูดมันไม่ใช่ว่าคิดเป็นเรื่องๆนะไอคิดเป็นเรื่องๆนี่มันหลง หลงคิดอันนี้คือมันมันรู้สึกตัวอยู่เนี่ยไม่ได้คิดเป็นเรื่องๆแต่มันมันคิดวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยไต่ตองอครอใกลควรอะไรมัเวลาไม่ได้คิดเป็นเรื่องๆล้วคิดเรื่องๆนายหลงคิดแหละหลวงตาเหมือนถ้าจะทําแบบหลวงตาว่าสําหรับตัวผมเองเนี่นะ <c oughs> คือจะไปดูใจที่ตัวเองคิดว่าบทเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นว่ายังไงบ้างเนี่ยมันพอมองเข้าไปเนี่ยมันมันเหมือนกับ มันอายตัวเองมันก็ไม่คิดต่อมันไม่ปรุงต่อผมเหมือนกับผมกำลังดูผิดอยู่อย น, ม, น ม, มันดูผิดอย่างนี้เอาง่ายๆอย่างนี้เดี๋ยวนธรรมชาตินี่ยมันมีสองมันมีอยู่สองสองสองสองอย่างธรรมชาติด้านหนึ่งก็คือตัวตัวเราเนี่ยที่ถูกรู้กับธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งอ่ะคือมารู้ตัวเราธรรมชาติของตัวเราเนี่ย เป็นเป็นตัวที่ถูกรู้ไอ้ตัวเนี้ยตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวสมมติเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวมันก็ตายแตกดับหน้าเปื่อยผุพังกับธรรมชาติธรรมชาตินึงอะที่มารู้ตัวเราไอ้ตัวนั้นเป็นอมตะไม่แตกไม่ดับไม่ทําลายไม่มีตัวตนเออมันมีธรรมชาติอยู่สองธรรมชาติถ้าเข้าใจธรรมชาตินี้ก่อนเดี๋ยวมันก็ไม่เข้าใจตรงนี้เวลาเราคุยมันเลยฉับสนรู้เนี่ยธรรมชาติที่มารู้ตัวเราเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวตนของเรารู้รู้เออธรรมชาติที่มารู้ตัวเราเนี่ยนั่นคือวิญญาณวิญญาณที่มาเกิดนั่นแหะ วิญญาณเหานี้เนี่วิญญาณเนแปลว่ารู้ภาษาบาลีแปลว่ารู้แต่ตัวตนมันไม่มีแต่พอเรามาเกิดแล้วเนี่ยมันก็จะมีชีวิตจิตใจขึ้นมาก็เกิดมาจากการผสมพันธุ์ของพ่อกับแม่ทําให้มีชีวิตจิตใจขึ้นมาแต่วิญญาณที่มาเกิดนั้นมีแต่รู้มีแต่รู้อย่างเดียวตัวตนไม่มีหรอกรู้อะไรล่ะเอะเช่น วิญญาณเนี่ยวิญญาณหรือจิตแท้หรือใจแท้เนี่ยไม่อยู่แล้วในในเราทุกคนในพุทธเจ้าในพระอรหันต์ในปุถุชนในสัตว์เดรัจฉานมีหมดนะที่ที่มารู้ตัวเราเนี่ยแต่เราเนี่ยมันอยู่กับเรามาทั้งตลอดชีวิตอ่ะถามปุ๊บก็ก็รู้ได้แบบอย่างเนี้ยท่านนั่งอยู่เนี่ยเราเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยท่านรู้ไหมว่าเรานั่งอยู่เออนี่ไงเห็นไหมเวลาเรานั่งเราก็รู้ว่าเรานั่งเนี่ยธรรมชาติที่มารู้ตัวเราเนี่ยมันมีอยู่แล้ว ตอนนี้เวลาท่านท่านเป็นผู้ฟังท่านก็รู้ว่าตัวท่านกาลังเป็นผู้ฟังอยู่นี่ตัวท่านพูดใหม่จับไม้พูดตัวท่านไปผู้พูดเรากําลังพูดเรารู้ไหมเนี่ยธรรมชาติที่มารู้ตัวเราเนี่ยมันจะรู้ตัวเราตลอดไปเลยเราเนี่ยยืนเดินนั่งนอนดื่มกินทํำอะไรนะมันก็ธรรมชาติเนี่จะรู้ตัวเราตลอดแล้วก็เราพูดอะไรนะก็จะมารู้ตัวเราตลอดเลยเราคิดอะไรเราก็ไม่หลอดพ้นจากรู้เลย เพราะรู้เนี่ยมันอยู่ในตัวเร า, านี่แน่แต่หาตัวมันไม่เจอแต่รู้นั่นแน่มันคือวิญญาณแท้ๆหรือใจทแท้ๆหรือจิตแท้ๆที่มาเกิดนี่แน่มันอยู่ในตัวเรานี่แน่แต่พอมาเกิดแล้วเนี่ยมันก็มีมีขันห้าขึ้นมาคือมีร่างกายมีจิตใจที่เป็นความรู้สึกมีคิดอารมณ์ขึ้นมาเป็นตัวประสมของของการประสมพันธ์ของพ่อกับแม่แต่ธรรมชาติของรู้เนี่ยมันก็อยู่ในตัวเรานี่แน่ดัะนั้นร่างกายเราเนี่ยลองมาดูดิท่านแอบคิดแอบพูดแอบกระทําอะไรในที่รับที่แจ้ง ท่านรอดพ้นจากคนอื่นได้นะแต่รอดพ้นจากตัวเองไม่ได้ถามว่าใครรู้ว่าเราเนี่ยแอบคิดอะไรใครรู้เวลาคันถามพวกท่านนะท่านแอบคิดอะไรกับใครเนี่ยใครเป็นคนรูำำนเาานน้เราเป็นคนรู้ถ้านจำคำนี้ให้ดีเวลาถามท่านท่านบอกว่าเราเป็นคนรู้เราอเป็นคนรู้ตัวเราเราแท้แท้เนี่ยท่านเป็นคนตอบเองบอกว่า เป็นคนรู้แต่เวลาพอท่านใช้ชีวิตประจําวันอะ่ะเอาตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวเรามันหลงผิดตัวกลับด้านกันเวลาเนี่ยถามว่าเอาที่เห็นง่ายๆอะ่ะอยากบอกว่าทุกคนเป็นหมดอย่างเรานั่งเลยนนะผู้ชายนะเวลาเห็นาสาวเดินเข้ามาใช่ไหมเราก็ต้องแอบคิดอะไรกับเขาแหละเนี่ยผู้หญิงที่สวยผู้หญิงก็เห็นผู้ชายหล่อๆเดินมาถูกสเปกก็ต้องแอบคิดอะไรกับเขานี่ของง่ายๆเลย ใครในที่นี้รู้มั้งว่าเราแอบคิดอะไรกับใครมีคนอื่อรู้ไหมใครเป็นคนรู้ <No. S 1> เรารู้เห็นไหมเรารู้เราเป็นผูร้รู้เราเนี่ยมารู้ไอ้ที่รู้ตัวเราแอบคิดแอบพูดแอบว่าทำํำอะไรเราเป็นเรา เ, เราเมารู้เรารู้แต่เวลาพอใช้ชีวิตจริงเราไปหลงเอาไอ้ตัวเราที่ที่คิดได้ที่พูดได้ที่กระทาอะไรเนี่ยเป็นตัวเราแต่ไอ้ตัวเนี้ยที่คิดได้พูดได้กระทาอะไรได้ไอ้นีน่ตายแตกดับ <c oughs> ตายแตกดับไปทุกชาติเออเราพิจารณาไอ้ที่รู้เนี่ย คือเราแท้แท้ที่มาเกิดตั้งแต่ไอเนี้ยไม่ตั้งแต่เขาเรียกว่ามันถ่ายล่างไปไม่เคยแตกไม่เคยดับไม่เคยทําลายพอไอไอร่างกายในชาติใดที่มันคิดมันพูดมันกระทาได้มันดับไปไอรู้นี่ก็ต้องเปลี่ยนไปอีกแล้วมาเปลี่ยนไปแลแ้วจะไปเกิดเป็นอะไรเช่นสมมติเราไปเกิดเป็นเราก็ชอบเจ้าตัวอย่างหลายคนเนี่ยเพราะว่ามันน่าเกลียดอย่างงูเงี้ยผู้ชายก็เกลียดงูผู้หญิงก็เกลียดงูบางที่น่ากลัวได้งูเงี้ยเดี๋ยดิพอเเห็นงูนี่น่าเกลียดแต่พอเราไปเกิดเป็นงูนะเราก็ไปคิดอย่างใหม่ คิดจยางงูทำไมคิดอย่างงูมันก็ไปคิดว่าไอตัวงูเนี่ยคือรูปร่างเราคือตัวเรามันก็ไม่รังเกียจแราะมันไปเกิดเป็นงูมันก็ไองูนี่เป็นตัวเราพอไปเกิดเป็นงูตัวผู้ใช่ไหมไม่เห็นงูตัวเมียเลื้อยมาก็สวยมากก็เลื้อยเข้าไปผสมพันธุ์กับเขาพราะมก็คิดอย่างงูแหละถ้าเราไม่คิดอย่างงูเราจะไปเลื้อยผสมพันธุ์กับเขาไงมันน่าเกลียดจะตายพอเราไปเกิดงูเราก็บอกว่างูตัวเมียสวยมากเลยเราก็ไปเกิดผสมพันธุ์กับเออ พอเกิดเป็นงูตัวเมียงูตัวผู้หล่อมากเลยก็เลื้อผสมพันธุ์กับมันก็คิดอย่างงูไต่เกิดอย่างแล้วเลยเกิดเป็นนกโดยเกิดเป็นนกอามก็คิดจะนกอีกโอ้นกตัวผู้หล่อมากเลยนกตัวเมียใช่ไหมนกตัวผู้หล่อก็ไปบินไปผสมพันธุ์กันไอ้นกตัวผู้ก็นกตัวเมียหล่อมากก็บปนผสมพันธุ์กันแต่งูเนี่ยไอ้นกเนี่ยมันก็คิดอย่างนกมันไม่ได้คิดอย่างงูหรอกพอมันคิดอย่างนกมันก็ไม่เห็นว่างูเนี่ยหล่อหรืองูสวยมันก็ไม่ได้บินไปผสมพันธุ์กับงูเพราะมันคิดอย่างที่มันเป็น มันเป็นอะไรในแต่ละชาติแต่มันไม่รู้ว่ามันคิดแอบคิดแอบพูดแอบกระทำอะไรเนี่ยมันไม่รอดพ้นจากตัวเราที่มารู้ตัวเราได้เลยไอ้ตัวเราที่มารู้ตัวเราเนี่ยคือตัวเราแท้ๆที่ไม่เคยตายแต่ไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยตายแตกดับไปทุกชาติเพราะฉะนั้นเวลาเรายึดผิดตัวเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาทีแต่เนี้ยเกิดปัญหาคือเราก็จะหวงร่างนี้มากเลย แต่เราไม่เป็นผู้ที่มรรู้ตัวเราสักทีเราก็จะหวงล่างนี้มากเราก็กลัวตายแต่ถ้ามันพูดได้มองไงโง้จริงตัวมึงคือคนนี้มึงไปยึดแต่คนอื่นเขาไอ้ตัวเรา ท, ที่ที่พูดได้คิดได้นึกได้ตึกต้องได้ทําอะไรได้มันเป็นตัวคนอื่นเออมันไม่ใช่ตัวเราทแท้จริงอ่ะมันเป็นตัวสมมุติตัวเราที่แท้จริงก็คือ ที่เราถามท่านว่าใครมารู้ว่าเราใครมารู้ว่าเราแอบคิดแอบพูดแอบกระทำอะไรในที่รับที่แจง้งก็ผมเมืิครับผมมารู้ผมตัวผมเมติอาิทํำไมพอถามก็บอกว่าผมไม่คนรู้เราเป็นคนรู้ผมไม่คนรู้เราเป็นคนรู้แต่เพราะใช้ชี่ประจําวันเอาตัวเราที่ถูกรู้เป็นตัวเรามันจะสลับด้านอย่างนี้เรื่อยไปจน ก, กว่าเราเนี่ยจะหายโง่เขาเรียกว่าอาวิชชาก็มาเป็นรู้พอเป็นรู้พวกพระอรหันต์ทั้งหลายจะอยู่กับรู้อยู่กับรู้อะไรก็รมาอยู่กับรู้ตัวเราเนี่ยแหละแล้วก็มายึดตัวเรา ถ้ากระเพริทุกข์ไว้เรียกว่าละอุปทานขันธ์ห้าคือสิ้นความหลงยึดถือในขันธ์ห้ายึดถือตัวเราเพราะไปเป็นรู้ตัวเราเป็นผู้ที่รู้ตัวเราซะนี่คือถ้ า, ถ, าถ้าพูดอะไม่ยากหรอกธรรมะแต่วิธีปฏิบัติเนี่ยมันสวนทางกับความเคยชินมันสวนทางเคยความชินไงมันไปเอาไว้ตัวเราเน่ยที่คิดได้พูดได้กระทาอะไรได้เป็นตัวเราดงนั้นตัวเราสุขตัวเราทุกข์ตัวเราผ่องใสตัวเราเจ้ามอง ไอ้ตัวเราที่มันมันมีกายการต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ไอ้นี่เป็นตัวสมมติมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงแต่เวลาเราสุขเนี่ยไอ้ตัวที่เรารู้ว่าตัวเราสุขเนี่ยนี่คือตัวเราแต่ตัวเราที่มีความสุขเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวสมมติพอตัวเรามีความทุกข์ไอ้ตัวที่มีความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ตัวเราแต่อัที่มารู้ตัวเราว่ากำลังมีความทุกข์อยู่ไอ้ตัวนั้นคือตัวเรานี่ปัญหามก็เกิดตีเวลาเรามายึดไอ้ผิดตัวเนี่ยเวลาไอ้ตัวนี้มีความทุกข์เราก็จะช่วยตัวนี้ให้มีีคคคววววาาาาาามมมมมสสสุุุขขขเเลพอออรกยให้่ะ มันมีอยู่ตลอดไปมันเลยเก็บทุกรักถูกดีรักจั่วจางเก็บทุกรักถูกดีรักชั่วจางตลอดไปเลยตอนนี้มันก็เลยอันไหนชอบมันก็อยากจะเอาเข้ามาอันไหนไม่ชอบมันก็ดิ้นลนผักใสอันไหนชอบมันจะดูดเข้ามาอันไหนไม่ชอบมันก็ดิ้นลนผักใสมันโดนดูดโดนผักโดนดูดโดนผักทั้งชีวิตนี่แน่คือความทุกข์ถ้าพ้นจากแรงดึงดูดกับแรงผักก็จะพ้นไปเลยรุดพ้นไปดงนั้นเราเนี่ยถูกดูด ด้วยสิ่งที่เราถูกใจเราผักมันในสิ่งที่เราไม่ชอบใจเพราะเราตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวที่ปรุงแต่งได้เราก็เอาไปปรุงแต่งแต่อผู้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันปรุงแต่งไม่ได้ก็ไอ้อิที่มารู้ตัวเราเนี่ยมันได้แต่รู้ตัวเราซื้งๆรู้อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยเราสมมติว่าเราหิวข้าวเราหิวข้าวใช่ไหมไอ้รู้มันรู้แต่ว่าเราหิวข้าวมันก็รู้ซื้อๆตรงไปตรงมา แต่มันไอ้รู้นั่น่ะมาช่วยตัวเราไม่ได้หรอกตัวเราหิวข้าวไอ้ตัวเราที่ถูกรู้มันไปคดข้าวมาให้ตัวเรากินพอเรากินอิ่มแล้วอ่ะไอ้รู้มันก็รู้ว่าตัวเราใะอิ่มแล้วใช่ตัวรู้แค่นั้นนะแต่ตัวรู้เราพูตัวรู้ตัวรู้แต่ไม่มีตัวนะะ่เออปัญหาไม่ใช่จะเรียกว่าอะไรกันแตวิญญาณแปลว่ารู้ภาษาบาลีแปลว่ารู้เฉยไม่รู้ เดี๋ดีเนี่ยไอตัวนั้นเจไอตัวที่ล่างดับก็คือไอตัวที่แอบคิดแอบพูดแอบก็ทําอะไรได้เน ด, ด, ดับแต่ไอตัวรู้ไม่ดับเลยเออไปหาที่เกิดใหม่ไปหาที่เปลี่ยนร่างฐานไปก็ไอตัวนั้นไม่มีตัวมันก็เลยไม่ดับเล ย, เลยไอรู้เนี่ยมันมีอาสาถุอสัตุรู้เนี่ยมันมีอยู่แล้วในทุกคนในแนะในสัตว์ได้ฉามก็รู้ มันนอนอยู่มันก็รู้มันเดินก็บลูกแล้วท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่ดนท่านท่าท่าน่าน่านท่านท่าน่านท่าน่านท่าน่านท่าน่านท่านท่านท่น่านท่า่านท่าน่านทตน่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่งเป่นท่านทานท่านท่านท่น่านท่านท่า่านท่า่า่่ทนาาาาน่น่น่นทน่น่นนา่น่าาน่่ ขึ้นอะไรไว้ทั้งหมดจำดีจำชั่วคือไอ้ตัวนี้ใช่ไหมไอ้ตัวยึดตัวยึดมันไอ้ตัวยึดเนี่ยมันเอาไว้มันเอายึดผิดตัวไอ้ตัวยึดผิดตัวนี่เนี่ยมันเอาบันทึกไว้หมดเลยไอ้ที่มันยึดไอ้ตัวที่คิดพูดกระทําได้เนี่ยเป็นตัวเราไอ้ตัวยึดผิดตัวนี่เนี่ยมันเป็นตัวบันทึกไว้หมดจำดีและกจำชั่วไม่ไม่ไม่ใช่ไอ้ตัวจิตจิตเดิมแท้มันยึดไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวแค่รู้เฉยเออแค่รู้เฉยเออไม่ใช่คือความหลงเป็นตัวบันทึกอวิชา ตัวบันทึกก็คือตัวอวิชาที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเจ็บป่วยมากๆก่อนที่ท่านจะสิ้นเนี่ยท่านก็เลยไม่ทุกข์ใจไม่กังวลเพราะว่าท่านมองเห็นว่าร่างกายที่จะดับไปจิตใจที่จะดับไปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวท่านท่านก็เลยท่านย่กับใจไม่ยึดอยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้หรือใจที่ไม่ยึดใจที่ว่างเปล่าทั้งๆที่ร่างกายท่านก็เจ็บปวดเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อนเราเราก็เจ็บ ท่านก็เจ็บเหมือนกันกับเราถูกต้องเลยซึ่งท่านก็ไม่หายใช่ไหมฮะไม่หายไม่หายก็ถึงเวลาตายก็ตายเหมือนกันถึงเวลาเจ็บปวดก็ต้องไปจิตยาเนงว่าอย่างสมมติว่าปวดขาสมมตินะปวดขาปวดท้องอย่างเงี้ยท่านปวดแบบแสนสาหัสทรมานมากเหมือนกันเหมือนกันเจ็บปวดเท่ากันไม่ไม่หายใช่ไหมท่านท่านยังไงก็ไม่หายใช่ไหมฮหมายหมายถึงว่าไม่ไม่หายไม่ไม่หายปวดไมายต้องจินยาโดยฉิตยาถึงจะหายปวดเพราะะนั้นวิธีปฏิบัติของท่านก็คืออยู่กับผู้รู้ S <S ถ้ามัานจะแดกตับก็แด็กตับไปเอแต่ดับไปแ ต, แต่ก็ไม่ไหวก็ก็จีนยาให้ท่านกินยาแต่ท่านทำไมทนอยู่ได้ฮะดอดทนจะจะอดทนอดทนเฉยเหมือนเหมือนที่หลวงตาพูดถึงหลวงปู่ทาเพราะแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านท่านไม่สบายเวลาท่านลุกขึ้นนั่งท่านก็อกอักอกอากท่านไม่สบายมากท่านก็ยังก็อดทน ทั้งๆที่ท่านสามารถนั่งสมาธิเข้าฌานที่ท่านไม่ต้องเจ็บปวดท่านก็ทําได้แต่ท่านก็ไม่ทมําเอมเพราะว่าบุตรเจ้าพระหลานไม่ตายในฌานท่านท่านถ้ า, ามีเหตุเหตุผลอะไรที่เพราตายในฌานต้องไปเกิดอีกอ๋อเพราะว่าชานเป็นสิ่งปรุงแต่งถ้าไปตายติดสิ่งปรุงแต่งแล้วต้องไปเกิดอีกบุตรเจ้าพระลานทั้งหลายเข้าฌานได้แต่พอจะตายนี่พ อ, อแต่กฌานมาตายในวัด ป, ปกติฉะนั้นผมจะได้บอกถึงคนเจ็บป่วยแอะไรต่างๆที่เคยพบเคยเจอเนี้ยที่ เพราะว่าทุกคนที่เจ็บป่วยหนักๆเนี่ยเขาก็คิดอย่างเดียวว่าทายังไงจะหายทําังไงจะหายปวดซึ่งซึ่งฉีดยาหายปวดกฉีดยากินยาดิฉีดฉีดมันก็ได้แค่ไม่ ก, ไไมกี่ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็ปวดใหม่ออซึ่งมั น, ม, นมดาดต่อไม่ได้ก็ธรรมดาแล้วทยังไงถึงไม่จนตวเออจะบอกเขาอย่างถ้าเป็นคนธรรมดาก็บริการไว้เเพราะว่ายังฝึกอะไรไม่ได้ก็บริการพุทโธอัดกันนไปเรื่อย พทโทโธพทโธทโพทโธพทโธพททเพื่อจ no. ิตน่ยมันไม่ไปสนใจความปวดถ้าไม่ถ้าจิตมันไปสนใจความปวดจะปวดอีกหลายเท่าอย่าล้พระอรหันต์ทำไงพระอรหันตเวลาที่ป่วยหนักช่ั้ถ้าก็อยู่ใจอยู่กับใจของใจของท่านอยู่กับใจของท่านที่ว่างเปล่าไม่ยึดอะไรปล่อยสังขารมันดับไปดูสังขารมันค่อยๆดับไปดับไปดับไปท่านอยู่กับใจที่ว่างเปล่าอยู่กับตัวรู้อยู่กับตัวรู้ที่ว่างเปล่ารู้อันมันปวดอย่างี้ เออรู้ว่าไอ้สัง ข, ขารขัหน้ามันมันปวดมันจะดับแล้วแต่ตอนที่จะดับมันจะมีช่วงเวลาที่ที่เขาเรียกว่าร่างกายไม่ตอบสนองต่อความเจ็บปวดแล้วมันจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งคือคนไข้หมอก็จะพูด ก, กันในในภาษาหมอว่าคนไข้ไม่ตอบสนองต่อความเจ็บปวดแล้วไม่ตอบสนองต่อการความรู้สึกอะสติยังมีอยู่ไหมฮะพอละหันช่วงนั้นมีมีมีพวกนี้ยังเป็นจิตมันยังมีอยู่แต่ไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยตามร่างกายเนี่ยคือ เลือดมันไม่ไหลแล้วเลือดไม่ไหลแล้วอ่ะไอ้ระบบที่มันเข้าไปเชื่อมโยงกับระบบประสาทมันเสียสูญเสียหมดแล้วอวัยวะไม่ไม่ทํางานทั้งหมดแล้วในร่างกายพอไม่ทํางานแล้วมันทุกอย่างเครื่องยนต์มันหยุดมันหยุดแล้วแต่จิตมันยังไม่ดับแต่มันยังไม่ถึงกับความตายตอนนั้นอ่ะแต่ใกล้กับอะลูกก็ยังอยู่จิตก็ยังอยู่แต่มันอ่ะไอ้ระบบที่ รับรู้มันเสียหายหมดแล้วประสาทระบบประสาทระบบะไหเลือดเลือดไม่เดินไปไม่โดนไปทั่วล่างลแล้วตอนนี้ไอ้ตัวนี้มันก็จะไม่เจ็บปวดแล้วเหมือนกับว่าเนี่ยเหมือนกับอะไรเข้าไปเข้าไปเอาเอาสายยางรัดเราเงี้ยรัดเราแน่นๆพอมาโดนนี้ถ้าไม่เจ็บเลยนลเนี่ยไปรัดรัดเหนือเหนือขาเราแน่นๆเลยนะไปโดนเราตรงปลายเท้ายังางกไม่เจ็บเลยแต่นี่เลือดไม่ไหลแล้วยิ่งหนักไปเลยพอใกล้ๆจะตายมันไม่ระบบเลือดลมันไม่ไหลเบียนแล้วมันหยุดนิ่งหมดแล้ว ไม่เข้าแล้วตอนนั้นไม่เข้าแล้วเพราะว่ามันสภาวะมันมันมันไม่มีเจ็บปวดไม่มีอะไรละเอเออโอ้โหลืมเลยไม่ได้อ่าอะไรพูดกันเดี๋ยวเดี๋ยวงอ้เป็นหนอนหมดแล้ว วมันออกไปแล้วถ้าเกิดมันได้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้จอมาดิเตอร์ที่หัวเตียงใช่ไหมเป็นเส้นตรงจู้ไม่ขึ้นลงแล้วไม่ฟืดนฟ้าฟื้ฟ้าขึ้นลงแล้วอันนั้นไม่เหลือแล้วหนออกไปแล้วอจิตหรือวิญญาณเนี่ยจิตหรือวิญญาณมออกไปแล้วไอ้วิญญาณที่มาเกิดนะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ขันห้านะขันห้าที่เป็นรูปเป็นธนาสัญตั้งขานวิญญาณเนี่ยไปแล้วไปแล้ววิญญาณที่มาเกิดมันไปแล้วไปพร้อม อาจขาดไม่ใช่ไม่เป็นไรถามได้ถามได้ตอบได้ทุกเรื่องผมก็แค่ปฏิบัติแค่หลวงพ่อจรันแล้วก็เออก็มันคือมันออกไปเก่าแล้วไอ้ตอนที่เส้นมันขาดเนี่ยไอ้เส้นกับหมดจอนิเตอร์ที่หัวเตียงตึ๊ดมันออกจากล่างไปแล้วออกจากล่างไปแล้ว แต่บางที่หัวใจมันยังมันยางนั่นนะเพราะว่าไกาแค่เครื่องมันเราเราเราถอดกุญแจเราบิดกุญแจแล้วอะเราเราปิดปิดกุญแจแล้วคือวิญญาณจากล่างมาแล้วเหมือนกับรถรถยนต์ในสมัยก่อนเนี่ยรถดีเซลอะเราบิดกุญแจแล้วไอ้วิญญาณจากล่างแล้วแต่ไอการทํางานมันทำงานแบบออโต้ไอ้เครื่องดีเซลมันยังไม่ดับ่ะตึกตึ๊ตึ๊ตึ๊ตึ๊งตึลมก็ดับแต่นั้นน่ะไอ้นมันทํางานเป็นแบบออโต้ไม่มีวิญญาณแล้วไอ้เครื่องยนต์กระตุกก็เรียกเครื่องยนต์กระตุก แล้วที่ท่านบอกบริการพุโทโธพุโทโธบริการแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ในขระาษเดียวกันเวลาไปนั่งสมาธิให้บอกกําหนดลมหายใจเข้าออกเข้าพุทออกโธคือความช้าความเร็วมันมันยังไงเออมันอยู่มันอยู่ที่ทว่าเวล า, าเราเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่ยเราสามารถมีความรู้สึกตัวได้ต่อเนื่องดีเราก็ใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธ แต่เราเนี่ยมีความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจไม่กี่นาทีแล้วแวบหลุดไปฟุงซ่านและหลุดไปฟุงซ่านอย่างเนี้ยมันอยู่กับลมหายใจไม่ไม่ไหวแล้วมันช้าเกินไปเพราะว่าเรากวัวจะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็ไม่รู้ว่หลุดไปฟุงซ่านตั้งตัเท่าไหร่แล้วเราก็ตอนนี้เราก็รู้ตัวแล้วว่าเราบวกกับลมหายใจไม่ได้แล้วแบบเนี้ยเพราะว่ามันช้าเกินไปเราก็พุทโธพุทโธพุทโธให้ด้วยความรู้สึกตัวโดยไม่ต้องผูกลมหายใจ แล้วเวลาเดินจงกรมก็เหมือนกันนะไม่ต้องผูกกับเท้าเราก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความรู้สึกตัวมันมันมันอยู่ที่มันอยู่ที่เราเนี่ยถ้าเราสติสัมปชัญญะดีๆแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยทิ้งความรู้สึกตัวไปคิดฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็แก่หายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่ถ้าเราเนี่ยโอ้ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไม่รู้วันทิ้งความรู้สึกตัวไปฟุ้งซ่านตั้งแตไหร่ละอันเนี้ยเราก็พุทโธขึ้นมาเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความรู้สึกตัว เออพุทโธพุทโธเหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องใช้บริกรรมแต่พุทโธพุทโธเราคอยดูว่าเรายังรู้สึกตัวอยู่ไหมโดยที่เป็นสนใจจะเดินก้าวอย่างไรไม่ต้องไม่ต้องสนใจก้าวที่เดินไม่ต้องสนใจลมหายใจใช่รู้ตัวว่าพุทโธอยู่ไหมยังยังรู้สึกตัวอยู่ไหมพุทโธได้ความรู้สึกตัวอยู่ไหมดูดูลมหายใจก็ได้เวลาเดินมันไม่สะดวกเพราะว่าเวลาเดินแล้วมันลมหายใจมันจะสั้นๆั้นเดี๋ยวยาวใช่ใช่ใช่ภาวนาโอ้โหเดินอย่างเดียววะอ่านี่ยเนี่ย ถ้าถ้าถ้าสมมติผมเดินจยกมผมชอบเดินโยกมมากกว่านั่งสมาธินะครอวิธีปฏิบัติเหมือนที่หลวงตาว่าที่มันจะให้เห็นจิตที่คิดและเห็นจิตในจิตเนี่ยผมจะต้องทํำยังไงที่ที่มันจะย่นย่อหน่อยครับก็ย่นย่อคือว่าท่านก็ให้รู้สึกตัวไว้อย่าให้ความรู้สึกตัวมันขาดบริกรรมพุทโธพุทโธด้วยความรู้สึกตัวอย่าให้ความรู้สึกตัวมันขาดพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่หลงมือเพลินไปคิดฟุ้งซ่านอะไร เราเดินในความรู้สึกตัวอยู่พุทโธพุทโธในความรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วตอนนี้เราก็สังเกตตัวเราผู้บริการพุทโธมันคิดมันนึกมันตึกมันต่อมันวิพากษ์วิจารณ์อะไรอยู่ในใจมันพยายามมันปรุงแต่งอะไรอยู่ในใจเราก็เห็นมันเห็นในใชัดเห็นไม่มีอะไรหลักเห็นก็พื่อจะว่าเนี่ยให้ตัวเราเนี่ยเป็นผู้ถูกเห็นซะเป็นผู้ถูกรู้แล้วจะได้ให้มาเป็นผู้รู้ตัวเราให้มาเป็นผู้รู้ตัวเราฝึกให้มาเป็นผู้รู้ตัวเรา เพให้เห็นตัวเราเนี่ยเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตื่นผู้ตองผู้ผู้พูดผู้กระทําผู้เดินเป็นตัวเราเนี่เป็นตัวถูกรู้ใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวสมมุติซะเราจะได้มาเป็นตัวผู้ที่มามามารู้ตัวเราสรุปแล้วก็คือให้รู้ตัวรู้ใช่ไหมฮะให้ให้ตัวรู้เนี่ยมารู้ตัวเราให้ให้ตัวให้เอ๋ให้เนี่ยให้ไปเป็นผู้มารู้ตัวเราคือให้ให้สะเกตตัวเราไว้ให้เป็นผู้ติดสะเกตตัวเราไว้ตลอดอย่าไปเป็นตัวเราที่คิดไอตัวเราที่คิดเนี่ยให้เป็นตัวที่ถูกรู้ตลอด ตัวเราที่พูดตัวเราที่กระทําอะไรตัวเราที่กำลังเดินจงกรมเนี่ยให้เป็นตัวถูกรู้ตลอดตัวเราคิดอะไรเนี่ยเป็นตัวถูกรู้แต่เราเนี่ยให้เป็นผู้รู้ไว้อย่าไปเป็นตัวคิดอย่าไปเป็นตัวเราที่คิดเป็นตัวรู้เออให้เป็นผู้รู้ไว้เป็นตัวรู้ไว้อย่าไปเป็นตัวเราที่เป็นตัวคิดเข้าใจไหมเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาเรานั่งสมาธิ แบบเดียวกับที่เราเห็นตัวเรานั่งสมาธิสมมุติเรานั่งอยู่เราเห็นตัวเรากําลังนั่งสมาธิอย่างนี้เหมือนกับเราเห็นตัวรู้หรือยังครับก็รู้ตัวเราที่นั่งนะไม่ใช่ว่าเอาตัวเราที่นั่งอยู่เนี่ยแล้วไปสร้างตัวเราเหมือนก็อปปี้เหมือนตัวเราไปหน่อยตักตวงนะคือให้รู้ตัวเราที่กําลังนั่งนี่แน่อย่าเอาตัวเราเนี่ยไปสร้างตัวเราเป็นก็อปปี้เหมือนตัวเราไปนั่งหน้าแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปไปมองตัวเราอย่างนั้นผิดนะผิดผิดอันนั้นเขาเรียกสร้างมโนภาพ อันนั้นผิดผิดผิดให้รู้ตัวเรานี่แนะว่าตัวเราเนี่ยนั่งอย่างไงคิดอย่างไงพูดอย่างไงกระทาอะไรอย่างไงนี่ถ้านั่งอยู่นี่ถ้าก็คิดตลอดเดินะคิดคนก็คิดนั่นคิดนี่คิดนี้คนนั่นคิดนั่คิดตลอดเลยนะถ้าก็ลองเนี่ยเป็นผู้รู้ตัวเราปดีก็เป็นผู้รู้ไปด้วยให้รู้ว่าเรากาลังคิดเรากาลังคิดนะแค่รู้แค่รู้แค่รู้ให้เป็นผู้รู้อย่าไปเป็นผู้คิดให้เป็นผู้รู้ตัวเรากําลังคิดอะไรอย่าไปเป็นคนคิด ให้เท่าทันความคิดก็อย่าไปดับเขานะให้เท่าทันอย่าไปไล่ให้เป็นคนรู้เฉยอย่าไปไล่ดับความคิดออเอเให้รู้ตัวเรากำลังคิดให้เป็นผู้รู้อย่าไปเป็นอย่าไปเป็นคนคิดแล้วอย่าไปไล่ดับความคิดอถ้าเราเนี่ยคอยจะไม่ไล่ดับความคิดหรือเราเราเผลอที่จะรู้เราก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้แล้วก็เราก็รู้วสังเกตตัวเราว่าไอผู้บริการพุโทโธมันเนี่ยมันบริการพุทโธอยู่เนี่ยมันก็ยังคิดอะไรอยู่ในใจได้นะเช่นว่า เราบริกรรมอย่างนี้ม no. ันถูกไหมเนี ally, ่ยพุทโธพุทโธพุทโธแต่ในใจมันก็นึกว่าเฮ้ยเราจะไปพ้นทุกข์ได้ยังไงไม่เข้าใจว่าบริกรรมอย่างนี้เราจะไปพ้นทุกข์ได้ยังไงในใจมันก็ทําไปด้วยนะแต่ก็ครูบาอาจารย์ท่านให้ทำเราก็ทํำไปเถอะเนี่ยมันก็พูดมันอยู่ในใจนะใอ้รอดที่เราพูดในใจว่าเฮ้ยบริกรรมพุทโธพุทโธนี่จะพ้นทุกข์ได้ยังไงนะแต่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้บริกรรมไว้เราก็เชื่อครูบาอาจารย์เราก็บริกรรมไว้ แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปมันจะไปพ้นทุกข์ได้ยังไงมันก็พูดอย่างเงี้ยกันนังที่พูทโตพุแต่ก็พูดอยู่ในใจไงแล้วมันั่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมงมก็นั่งอย่างนี้เอมม at, อเกิด okay, ให้รู้เป็นรู้่ะเราเราเมื่อเยเราก็เดินเดินแล้วก็นั่งน่งแล้วก็เดินเดินแล้วก็วว น, กนั่งเอารวมลงไปต้องต้องหาที่นั่งออถ้านั่งสมาธิมันกลรวมไปลรวก็ล้วก็ ให้รู้สึกตัวไว้อย่าอย่าทิ้งอย่าทิ้งรู้รู้ไว้ปล่อยมันให้มันรวมไปเลยรวมมันอย่าอย่าไปแอ๊ะอย่าไปตกใจอย่าไปยื้อมันก็จะรวมไปเหมือนกับไปไอ้น้ํามันไหลลงท่อรุ๊กอะไรย่างเงี้ยไม่ต้องจับมาไขใจแรงๆเพื่อให้มันเออไม่ต้องไม่ต้องเราก็ตามรู้ไปเลยมันก็ไหลรุ้๊กลงไปก็มันก็ไปไปถึงไหนแล้วไม่ตายหรอกแต่หลายคนชอกลัวมันก็ไหลรุ้๊กลงไปเลยอะเราก็ปล่อยมันเดี๋ยวก็ไปที่สุดของมันมันไหลรุ้๊กไปก็บบ้ม มันก็ปึ๊ บ, บขึ้นมาสว่างขึ้นมาขนลุกสู่ตาสู่ตาน้ําตาไหลเราก็ได้แค่รู้เราก็แค่รู้อ่ะกายเบาใจเบาบางทีเหมือนห่อเหินดทอากาศได้เราก็แค่รู้ให้ไปสุดสายนี่จะไปเยอะอะไรจะไปเยอะพอมันจะรวมกันวื๊ดอไรเลยมันเหมือนคนเป็นลมนะมันเหมือนกับ ว, วิว้ิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่มันเกิดจากสติไม่ขาด น, นะเออกวามรู้สึกตัวไม่ขาด พอคาม ร, รู้สึกตัวไม่ขาดแล้วมันก็จะสามารถรู้ได้แหละไม่ยากหรอกแต่มันอยู่ในการต้องฝึกนะ <c oughs> ไอคนเวลาคนพูดทําเป็นเนี่ยมันง่ายไอคนที่ไม่เป็นเนี่ยถ้าตีกรอบว่าถ้าท่านตีกรอบนะท่านไปพูดกับคนตีกรอบไม่เป็นเน <c oughs> พูดยังไงก็มไม่รู้เรื่องแต่พูดกับคนตีกรอบด้วยกันเนี่ยพูรู้เรื่องหมดเลยวงวงสวิงเป็นยังไงมาตีพลิ้ว ใช้ซ้ายนำเนี่ตีแหม่ตีกอลไม่ได้เอาขวานําเอาซ้ายนําตีแล้วก็พิวแบบลื่นไหลเนี่ยแหม่ลูกกอล์ฟลอยพิ้วยิงตีสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้ว่าสมัยนี้มันเปลี่ยนไปยังสมัยก่อนไม้หัวคาราเวหัวละมือกระ บ, บาทเนี่ยเวลาเราตีนะโอ้โหตีวงสวิงโดยที่ไม่กระตุกเลยเนี่ยโดยใช้ซ้ายนําแล้วตีไม่กระตุกเลยพิ ว, พวเสียงมัดังปิ้งเพราะมากเลยนวลลอยไกลมากเลยเนียถ่ถ้าถ้าถ้าพูดกับคนที่ ผู้กับคนที่มันตีกรอบด้วยกันก็ือรู้เรื่องหมดแหละนี่พูดคนไม่เลยเหมือนกับท่านขับรถเป็นน่ะพูดกับคนขับรถไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงเฮ้ยขับรถจะยากอะไรเนี่ยเพราะท่านขับรถเป็นแล้วไงเฮ้ยขับรถจะยากอะไรแต่ท่านลงไปถามคนที่ขับรถไม่เป็นนี่คนที่ขับรถไม่เป็นน่ะก็ยากอยู่นน่แนอการไปเป็นคนคิดไย นี่นี่นี่มันสับสนงงเพราะว่าท่านกายเป็นคนคิดแต่ท่านไม่ไม่เป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนรู้ไงเหมือนก็ว่าที่เวลาถามท่านว่าเวลาท่านไปแอบคิดอะไรในที่รับที่แจ้งใครเป็นคนรู้ว่าใครเป็นคนรู้ตัวท่านอ่ะเนี่เนี่ยเนี่ยราให้เป็นรู้ซะให้เป็นเรารู้ได้ไหมเราก็รู้ที่เวลาแอบคิดอะไรอะให้เป็นเรื่องเราอ่ะเวลาถามเขที่ไร่เราอ่ะที่เป็นคนรู้อแต่เอาควาจริงอ่ะเราดั้งคิดอยู่เนี่ย เพราะท่านถามเหรอว่าไอ้ที่ท่านคิดอยู่เนี่ยใครเป็นคนรู้ว่าเราคิดเนี่ยคนนั่งข้างหลังท่านเน่ยรู้ไหมว่าท่านกำลังคิดไม่รู้หรอกครับก็ตัวเราจะเป็นคนรู้แต่เอาก็จริงอ่ะเราเป็นคนนั่งคิดอยู่นั่นแหละคิดว่าเอะแล้วจะรู้ยังไงรู้ที่ไหนแล้วจะรู้อย่างไรแล้วจะรู้ยังไงทําไมถึงจะรู้ได้เอาอย่างเงี้ยก็กลายเป็นคนนั่งคิดแล้วจะไปรู้ได้ไงก็รู้ต้องรู้ว่าเนี่ยใครก็ลองคิดเนี่ยเราคิดเราก็รู้สิ เราก็รู้ตัวเราคิดไอ้ตัวเราที่กำลังคิดแต่ตัวถูกรู้หรือจะเป็นตัวถูกรู้ทีก็เป็นตัวรู้ทีรู้ตัวเรากำลังคิดเราต้องฝึกมันต้องฝึกแต่มันมันมันมันยากมันไอ้ธรรมะเนี่ยมันยาก่ะมันยากตอนที่มันต้องกลับกลับด้านกลับด้านความเคยชินใช่ไหมมันมันเราไม่เคยเลยเกิดมาในชีวิตเนี่ยเราเป็นแต่คนคิดแต่เราไม่เคยทำหน้าที่เป็นคนรู้เหมือนเราเนี่ย ทั้งชีวิตเราเป็นคนนั่งให้ก็ขับตอนนี้พออยู่ๆเราเปลี่ยนชีวิตมาเป็นคนขับไม่ทําให้เป็นเลยเราเราเคยแต่เป็นคนนั่งเขาขับอยู่ๆเนี่ยพอมาเป็นคนขับบั่งขับไม่เป็นเลยงงไหมงงอยู่งงอยู่พักใหญ่นลเหมือนกับว่าเป็นภรรยาเขาใช่ไหมแล้วไปไหนก็สามีขับให้นั่งตลอดอ่ะไม่เคยทั้งยิตไม่เคยขับรถเองเลยพออยู่ๆสามีตายชีวิตยุ่งไว้หมดเลยตอเนี้เพราะอะไรไม่เคยขับรถจะต้องมาเรียนหัดขับรถใหม่ะ มันก็จะยุ่งอยู่พักนัก็แหละแบบเดียวกันนี่แหละคือมันมันสลับหน้าที่เราเนี่ยเป็นคนคิดมาทั้งชีวิตเราไม่เคยฝึกเป็นคนรู้เลยรู้อะไรก็รู้ตัวเรากำลังคิดนี่แหละตัวเรากําลังพูดตัวเรากําลังทํามันก็ไม่รู้อะไรมันได้ยุ่งยากอะไรก็รู้ตัวเราไม่ได้จะไปรู้คนอื่นตัวเราคิดพูดกระทําก็มีแค่คิดแค่พูดแค่กระทำสามอย่างนั้นนหละคิดพูดกระทา ไม่ได้ยุ่งยากแต่มันมันแค่เปลี่ยนหน้าที่เราไม่เคยเปลี่ยนหน้าที่จากจะเป็นคนคิดมาเป็นคนรู้เรายังไม่เคยที่จะมาเป็นนี่เราเดี๋ยวเผือไปเป็นคนคิดอีกละเผื่อเป็นคนคิดอย่างเงี้ยมันจะรู้ได้ยังไงเนาะทําไงถึงจะเป็นคนรู้อะคิดดีละมันไม่เป็นรู้ซะละไปคิดไปคิดเอาอีกแล้วว่าทํายังไงถึงจะเป็นคนรู้มันจะรู้ยังไงเอ๊ะรู้นี่มันยากจริงๆเนี่ยมันก็คิดเป็นคนคิดแต่ไม่เป็นคนรู้ ดังนั้นเนี่ยท่านจะใช้คิดยังไงให้ไปรู้เนี่ยไม่ได้แร้วไม่มีทางเพราะว่าไอ้รู้เนี่ยมันมารู้ว่าเรากําลังคิดแต่เราเนี่ยกลับจะเอาคิดไปหารู้เนี่ยมันหาไม่ได้แล้วเพราะไอ้รู้เนี่ยมันมารู้ว่าเรากําลังคิดงั้นท่านคิดให้ตายจะไปหารู้อ่ะเอ๊มันจะรู้ยังไงเนอะ ถ, ถึงจะรู้ได้อะไรเนี่ยมันรู้ตัวเรามันไม่ได้หรอกไอ้ไรู้ก็ต้องรู้ว่าตัวเรากําลังคิดนี่ไงดังั้นคิดเท่าไหร่ไม่รู้หรอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ เพราะไอ้รู้เนี่ยมารู้มาลูคิดเนี่ยรู้เราก็คิดคิดอะไรมันจะไปรู้เองเว้มไม่เป็นคนรู้เลมันต้องมารู้ไอ้ที่เรากำลังคิด